บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงามานทั้งห้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงชัยชนะเด็ดขาดมาโดยลาดับแล้วในข้อต่อไปนั้นได้กล่าวว่าขอจิตของข้าพึงละนิวรณคือกรรมฉันเป็ตนตน อันที่จริงนิวรณ์ก็คือพั่วกิเลสสมานแม่มานทั้งห้าประการที่กล่าวมาโดยลาดับเพิ่งสังเกตบ้างเป็นตัวกิเลสบ้างเป็นอาการของกิเลสบ้างเป็นสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสบ้างแต่ในที่นี้ก็เน้นไปเฉพาะตัวของกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของบุคคล บังคับจิตใจของบุคคลให้สายไปตามอำนาจของตนอย่ง่ขององค์ธรรมนั้นตื่นสังเกตว่ากิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จอดเข้ามาไม่ใช่ตัวจิตเพราะถ้าเป็นตัวจิตเองเขาก็ต้องมีอาการอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแต่จิตใจของเราจะแปรผันไปตามอำนาจของสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งในแต่ละขณะสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่า เจตสิก ค, คำว่าเจตสิกนั้นเป็นการเรียก ร, มรวมๆคือทั้งดีๆทั้งส่วนดีส่วนที่เป็นอกุศลแล้วก็ส่วนที่เป็นกลางๆแกก็เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตในขนาดนั้นนั้นจิตก็จะแปรผันไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งในกลุ่มของนิวร์ทั้ง5ประการนั้นที่จริงอาจจะเรียกชื่ออย่างอืง่นก็ได้ ในรบาลีเองส่งใช้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายของนิวรณ์ตั้ง5ประกาศนั้นบางครั้งอาจจะเรียกเป็นเนินคือกิเลสตัวดุจเนินเนินก็คือที่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งคนจะผ่านเนินเหล่านั้นไปได้จะต้องใช้ความเพียรได้แรงความพยายามมาก การต่อสู้กับ น, นิวรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็เกิดภายในจิตกกอยู่ภายในจิตแล้วก็ดับพร้อมไปกับความคิดกกอยู่ก้อแกมาอย่างนั้นเองมีเหตุปัจจัยเกิดเขาก็เกิดเขาได้เรื่อยๆแต่ตามปกติคนทั่วไปมักจะไม่ใส่ใจถึงโทษที่จะเกิดจากนิวรณ์เหล่านั้น เพราะว่านิวร์บางข้อนั้นคนรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์เชนนิวร์ข้อกรรมฉันเมื่อเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็บังคับใจให้สายไปส่วอารมณ์ที่ใจไปกำหนดว่าหน้าใคร่น้าปรารถนาน้าพอใจเมื่อดิ้นรนขวนขวายสแสวงหาได้มาุคลก็รู้สึ ก, กว่าได้จะมีความปรัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งนั้น าการมองเห็นโทษจึงมองได้ยากบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นที่เป็นรูปธรรม เ, เหมือนกับบุคคลที่เข้าไปสู่สวนดอกไม้มีดอกไม้นาน า, น า, นาชนิดต่างสีต่างกลิ่นต่างรูปร่างกันคนก็มองสวนดอกไม้เหล่านั้นด้วยความเพลิดเพลินตามองไปที่ดอกไม้อย่างเดียวก็เดินไปเรื่อย วันเวลาผ่านไปเท่าไรก็ไม่รู้บางทีเวลาค่ําไปแล้วยังไม่รู้สึกตัวด้วยความเพลิดเพลินอยู่กับดอกไม้ดอกนั้นแต่นั้นความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งก็เรียกว่าพวงดอกไม้แห่งมานถึงทาใจใจของบุคคลในลุ่มหลงเพ้อฝันไปกํำลัดเพลิดเพลินยดีอยู่ในสิ่งดอกนั้นบางครั้งจึงทรงเรียกว่าสนิม เหมกับสนิมที่เกิดแก่สัตราบ้างแก่เกิดแก่ภาชนะเครื่องใชตง้ต่างต่างบ้างรูปมาเห็นว่ามันเหมือนกับภาชนะทองเหลืองที่มีสนิมเกิดขึ้นไม่สามารถจะใช้งานอะไรได้ในขณะนั้นนอกจากประกาศสนิมซะก่อนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยามใดที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นครุ่ม ร, มรุมใจจูในยามนั้นจิตไม่ควรแก่การใช้งาน ไม่ต้องพูดถึงงานที่ละเอียดระดับการเจริญกรรมาฐานแต่แม้แต่งานทั่วไปซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าในขณะนั้นจิตใจ ย, ยังถูกครอบงามด้วยนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ประสิทธิภาพในการทำงานเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเหตจะถูกแบ่งแยกไปความมีเหตุมีผลมีสติปัญญาที่จะใช้ไปในกิจการงานเหล่านั้นก็มีกาลังเพลาลง พระเจทองเหลืองที่เกิดสนิมจำเป็นจะต้องขัดจนกว่าสนิมเหล่านั้นจะหมดไปแล้วก็สามารถใช้ไปในกิจการต่างๆตามที่ตนต้องการได้ชัน้นใหจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่าหากว่าลดละบันเทาหรือขจัดนิวรณออกไปจากใจได้จิตจะใช้งานได้ว่าในชั้นของการที่จะทำจิตให้สงบ ในชั้นของการพัฒนาปัญญาในชั้นของการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจความหมดกั้นความหมดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายเป็นต้นเพราะเรื่องนิวรณเราจึงพบในที่ต่างๆเป็นนันมากเพราะเขาเป็นอุปสรรคขัดขวางกั้นจิตคนเอาไว้ไม่ให้มารุกความดีผมสังเกตว่าการกระทำความดีนั้นก็จะมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งก็คือรับความดีเข้ามาสู่จิตอย่างที่2ก็คือใช้คุณภาพคุณจิตที่มีความดีอยู่แล้วแสดงออกไปเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมาบ้างเป็นอาการที่ปรากฏส่วนใหญ่ก็ทางกายกับทางวิจารแธ่สยามนั้นจิตถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ครอบงาเอาไว้ชึนถูกความอาฆาตพยาบาทเสียแทงใจจุ แม้จะพยายามรับรู้พยายามทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ตนเรียนรู้ในขณะนั้นๆจะด้วยการฟังจะด้วยการอ่านจะด้วยการสนทนาหรือแม้แต่จะด้วยการคิดก็ตามจิตก็จะไม่มั่นคงเพราะจะถูกแบ่งแยกออกไปสู่อารมณ์ที่นำให้จิตมีความอาคตาิยาบัติประสิทธิภาพในการรับรู้ในการ เสวยหาประโยชน์จากสิ่งข้างนอกก็จะมีกำลังน้อยลงถ้าลองสังเกตไ ด, ด้ดีบางครั้งจะมีลักษณะเป็นวุวง่นคือการรับรู้สิ่งน น, นั้นจะขาดเป็นว่วุ่ไปจิตจะแกว่งไประหว่างความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในจิตความหงุดหงิดที่มีอยู่ภายในจิตและความใส่ใจที่จะฟังกรรมะ ซึ่งตงางกับรงอาคติปยาบาทมีกําลังมากการฟังในขณะนั้นแทนที่จะได้ประโยชน์มันก็เพิ่มความอาคติปยาบาทหรือความหงุดหงิดให้สูงขึ้นโดยซ้ำไปเพราะฉะอาการที่เกิดขึ้นแก่จิตในลักษณะ น, นี้ชื่อว่ากั้นจิตเอาไว้ไม่ให้สามารถรับความดีเข้ามาสู่จิตได้แม้จะรับได้ก็รับได้ไม่เต็มที่ระดับที่สองก็คือการแสดงความดีออกไป โดยพื้นฐานใจิตใจแล้วเราก็มีความดีอะไรพร้อมที่จะแสดงออกไปอาจจะเป็นความรู้ความสามารถความมีคุณธรรมความเมตตาคุณาเป็นต้นภายในใจก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าบางขณะใจิตใจถูกนิวรณ์ก็ใดข้อหนึ่งคลุ้มรุมเอาไว้การแสดงความดีเหล่านั้นก็ออกมาไม่ได้ทต็ที พันธุ์สังเกตว่าบางครั้งแม้ระหว่างสามีปัญญาก็ทะเลาะกันระบางแม่กับลูกบางทีก็ดุลูกก็เฉยๆหรือบางทีลูกกับบุปการีมีพ่อแม่เป็นต้นถ้งตามปกติก็ให้ความเคารพนับถือดีแต่วันนั้นจิตใจคอไม่สบายด้วยความหงุดหงิดด้วยความผิดหวงังด้วยความประกลุ่มหรือความพิถกกังวลอะไรก็ตาม ดรีกว่ามีนิวนรณ์ข้ใดข้อหนึ่งอยู่ในขณะนั้นก็อาจจะล่วงเกินบุปการีกล่าวถ้อยคำที่ขาดความเคารพนําถือยำเกรงไปก็ได้นั่นก็คือลักษณะของจิตที่ถูกนิวรณ์ทั้ง5้าครอบงำต้นนิวรณ์ทั้ง5ประการนั้นเนื่องจากเป็นกลุ่มของกิเลสจึงอยู่ในกลุ่มของปหาตปฏธรรมคือธรรมะที่ส่งสอนให้ละให้ลดให้เลิก การจะลากดเลิกได้ก็ต้องอาศัยการมองเห็นโทษของนิวรณ์เหล่านั้นแต่ละข้อดได้อย่างชัดเจนเพราะหนุบมาต่างๆที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆบางครั้งก็โขกฝีบ้างบางครั้งก็เป็นลูกศรบ้างบางครั้งก็เป็นแผลบั้งเคยมองเห็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นสื่อเป็นพาหะนําภัยอันตรายมาสู่ตนเอง จนถึงแม้การจำแนกพบชาติต่างๆของบุคคลก็ถูกกำหนดด้วยคุณภาพจิตในขณะนั้นจิตมีนิวรณหรือไม่มีนิวรณอย่างที้รับสั่งแสดงว่าจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกติจิตผ่องแผ้วเพราะอะไรเพราะไม่มีนิวรณเกิดขึ้นรวบรวมจิตในขณะนั้นๆ้ น, น จิตเศ้ามองก็แสดงว่าต้องมีนิวรณ์ข้อใดข้หนึ่งเกิดขึ้นรุ่มรุมจิตในขนาดนั้นเป็นการจำแนกพบชาติที่มีผลยืดเยื้อยาวนานสาหรับบุคคลตนนั้น ท, ท, ทั้งๆที่เขาเกิดจริงๆก็เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ก็กลายเป็นการกำ ก, กำหนดพบชาติของบุคคลนั้นนัน ตามกระบวนการของกรรมที่ท่านแสดงเอาไว้ที่เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นชนกกรรมกระําให้เกิดแม้ในการประพฤติปฏิบัติระดับของกรรมฐานจุดมุ่งหมายก็มุ่งส ง, ง, งบจากนิวรณ์แต่าหากว่ายังมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ความส ง, งบก็เกิดขึ้นไม่ได้นิวนรณ์จะกลายเป็นอุปสรรคทุกขั้นตอนของการดารงชีวิตของบุคคลทั้งหลาย แตยิ่งกไปกว่านั้นอย่างเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางตัดรอนไม่ให้พบชาติค น, นตนมีความประณีตขึ้นไปอีกด้วยไม่ต้องกล่าวถึงมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นเรื่องที่ประณีตยิ่งกว่านั้นนิวรณ์จะต้องสงบไปหรือดับไปเมื่อนิวรณ์ยังมีอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เลิกพูดกันจะเกิดขึ้นไม่ได้พรการศึกษามองเห็นโทษของนิวรณ์จนประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้ว ในกา ร, รปฏิบัตินั้นส่งแสดงไว้หลายระดับหลายในายา่าได้แก่เช่นในินายาหนึ่งก็ให้ศึกษาถึงอาการของนิวรณ์แต่ละข้อที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆในการเรียงในรูปปริญัตท่านก็เรียงอย่างนั้นแต่ในภาคปฏิบัติแล้วนิวรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นตามระดับอย่างนั้นบางครั้งบางวันวิจิกิสาเกิดขึ้นก่อน พิจิกิรสาเกิดแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นข้ออื่นคืออาจจะเป็นพยาบาทก็ได้อาจจะเป็นก ร, รมฉันก็ได้คือสรุปว่าเวลาเกิดทันทันสาธารณชนทั้งหลายเป็นสังเกตดูที่จิตเราว่าเขาไม่ได้เกิดตามระดับอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการเรียงไปตามระดับโลดโกรดหลงการเรียงนิวรา์นั้นทานเรียงตามระดับโลดโกรดหลงแต่อัตยาสัยของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ความโน้มเอียงทางจิตปัญญาของบุคคลไม่เหมือนกันที่เรียกว่าจริตคือคนมีจริตอะไรก็จะหนักไปในเรื่องเหล่านั้นมากอย่างคนที่มีราคะจริตจิตจะตรึกนึกไปในแนวงกามรักฉันมากคนที่เป็นโทสะจริตจิตจะตรึกนึกไปในแนวอาฆาตพยาบาทหุนหงิดไม่พอใจกระทบกระทั่งทางใจมากบุกคคลที่มีโมหะจริต มักษณะซึมๆเรื่อยๆเฉื่อยสูญเสียความมั่นใจมีความเครือแปลง่สงสัยเป็นต้นมากเพราะอาการแต่ละอย่างแล้วก็เป็นการสะท้อนมาจากพื้นฐานด้านจิตใจของบุคคลดอดนั้นแม้ในแต่ละวันที่เราปฏิบัติกัรมาฐานให้เราสังเกตดูจิตว่าเวลานิวร์เกิดขึ้นก็ไม่รู้ข้อไหนอย่างเช่นวันนี้พวกกามฉันเกิดขึ้นก่อน เรือนี้พวกวิจิกิจจะจะเกิดขึ้นตอนเอาปรินต่อไปอาจจะมีอุตจักขจัเกิดขึ้นก่อนเป็นต้นปางทีกเกิดทยอยกันไปเป็นครบหมดทั้งห้าข้อบางครั้งเกิดขึ้นขณะหนึ่งเรามีสติสมัมปญญะมากพอเรามองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นและพยายามลดละบันเทาไปคุ้มใจอยู่แก่ธรรมะอยู่กับธรรมะมันก็อยู่ได้นานมาก าการศึกษาในแง่ของโทษก็สืบสาวไปถึงที่ไปที่ป่าของนิวร์ในแต่ละข้ออย่างกาเมาชันนิวรณ์ประสงสอนว่าให้ศึกษาดูว่ากามาชันนิวรณที่จริงไม่ได้เกิดอย่างต่อเนื่องภายในใจคนบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดบางครั้งอาจจะเกิดเบืออหน่ายในอารมณ์บางอารมณ์โดยสัําไป แสดงวา่าแสดงว่าความเบื่อหน่ายเองมันก็มาจากเหตุปัจจัยเกิดเบื่อหน่ายการมาชั้นเองก็มาจากเหตุปัจจัยแต่ดูว่าการมาชั้นนั้นมาจากอะไรก็จะมองเห็นว่าส่วนหนึ่งคือส่วน ล, ลึกๆจริงๆนะั้มาจากพื้นฐานทางการมฐ า, านคือเชื้อที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลมีลักษณะเก็บสะสมความรู้สึกนึกคิดในแนวนั้นไว้บ้า เราทำให้เกิดกําหนดอารมณ์ที่สัมผัสในแต่ละขณะเช่นกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะ ก, กลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องความกําหน้าความพอใจในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพอสิ่งนั้นผ่านไปแล้วแต่ว่าใจยังกําหนัดยังพอใจรักใคร่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นอยู่ใจจิตก็กรสันหาทั้งสิ่งเหล่านั้นทั้งท่นให้มันผ่านไปได้ และในขณะเดียวกันก็มุ่ง ม, มา่ปรารถนาที่จะได้พบเห็นสิ่งเหล่านั้นในอนาคตจิตก็จะเพ้อขวัญเกี่ยวกับอนาคตบางทีสิ่งเหล่านั้นปรากฏในขณะนั้น น, นคือได้เห็นในขณะนั้นได้ยินในขณะนั้นเป็นต้นหรือแม้บางครั้งบางคราวจิตไปตรึกนึกเดี่ยวนึกเอาในขณะนั้นกากรดเพื่อ เ, อเอก็เกิดขึ้นในปัจจุบัน แ, แสดงว่าจิตใจมันพร้อมที่จะสายไปในการทั้งสามที่จะสายไปในอดีตก็ได้ในอนาคตก็ได้ในปัจจุบันก็ได้เพิ่งสังเกตว่าจิจตใจของเราเองแต่ละคนก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันมีอารมณ์เป็นอันมากที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นที่รักใคร่พอใจปรารถนาชอบใจของเราแต่อารมณ์เหล่านั้นได้ดับไปคนได้ตายไปสิ่งของแตกทําลายไป หรืเพื่อนฝูงได้จากไปเป็นต้นไม่ได้พบปะกันใจก็คิดถึงคดิหนึ่งหาบุคคลเหล่านั้นด้วยอํานาจของกาลแม่นันทนนิวอนบางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการรอคอยว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนอนก็จะพบปะกันเจเก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นปรารถนาที่จะให้วันเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วเพื่อจะเจอกับบุคคลที่บุคคลหรือสิ่งของที่เรารักใคร่ปรารถนาชอบใจ ตราได้เกิดขึ้นจากใจไปกำหนดไปให้ความสำคัญแก่สถานะของสิ่งเหล่านั้นกรนี้อย่างที่เราเจอองค์ธรรมอยู่เสมอใช่ไหมหรตืตามปกติแล้วมันก็แยกกันอยู่ถ้าเรียกว่าอายตนะภายในคือรูปเสียงกินรสสัมผัสแต่เราถึงอารมณ์ในภายนอกนั้นเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเข า, ขา เดิมทีเดียวก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อใจเราและแม้แต่การสัมผัสครั้งแรกเขีออยนครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสุ ด, ดมครั้งแรกจิตใจก็จะไม่รู้สึกรักใครหรือว่าไม่รักเรียกว่าไม่มีความรู้สึกรักชังรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังแต่ก็มีความไม่รู้ จากความไม่รู้ก็กลายเป็นความเครือบแคลงสงสัยจากความเครือบแคลงสงสัยก็กลายเป็นศึกษาค้นคว้าหาคําตอบเมื่อหาคำตอบแล้วก็เกิดกําหนดอารมณ์กำหนดสถานะของบุคคลเหล่านั้นของสิ่งเหล่านั้นในสุดความกำลังความเกิดเคื่อก็เกิดขึ้นตามการกําหนดของเราเพราะสิ่งทั้งหมดจึงเป็นการกําหนดเราเองไม่มีความเป็นสากุลจนบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปที่เรียกวามายาหรือมารยา มันเป็นภาพมายาในภาพดวงตาที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นเราคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นตั้งแต่ที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็คิดปรุงเอาไปด้วยประการต่างๆโดยพื้นฐานความคิดอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าความรู้สึกในแนวนี้ลึกๆภายในใจของคน มีความเห็นที่เรียกว่าเป็น ส, สัสธะทิฏฐิคือไปสำคัญบัรทหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันใจก็เกิดกำหนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นต้องการให้อยู่กับเราตลอดไปแต่หยุดคิดสักนิดหนึ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ใจไปกาหนดว่าหน้าใคร่นะ้าปรารถนาหน้าพอใจนั่นเอง ก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเช่นสมมติ อ, มอาหารอร่อยอร่อยเมื่อมีเหตุปัจจัยให้รู้สึกว่าอร่อยทนยามนั้นรับประทานอาหารเสีอิ่มแล้วอาหารจะ ด, ดีพิเศษยังไงก็แพ่อร่อยก็แสดงว่าความอร่อยนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงแต่มันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่าง โดยเฉพาะใจไปยอมรับสถานะเหล่านั้นไปให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นลักษณะความคิดเหล่านี้ก็เหมือนกับเรื่องอดืนๆเช่นเราเคยหลับนอนพักผ่อนในที่ใดที่หนึ่งอยู่เป็นเวลานานไม่เห็นมีปัญหาอะไรต่อมามีคนมาเล่า ว, ว่าตรงนั้นผีดูเคยหลอกคน น, คนนั้นคนนี้คนน้นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ไปยอมรับเงื่อนไขว่าผีนั้นดุและเคยหลอกคนนั้นคนนี้ตามที่เขาเล่าไว้การนอนในคืนต่อมานั้นจะไม่ส ง, งบเหมือนคืนก่อนจิตใจจะวิตกกังวลหวาดระแวงมีความกลัวแฝงเร้นอยู่ภายในใจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามในที่สุดมันก็จะนอนไม่หลับกับเสียงกระส่ายแต่ยินเสียงอะไรลมพัดนกร้องสัตว์ร้องก็จะคิดเป็นเรื่องของปีศาจไปทั้งหมด ทวามคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรท้งต ท, ที่เมื่อก่อนเราก็อยู่มาโดยปกติสุขไม่เห็นมีปัญหาอะไรเกิด ข, ขึ้นมาจากการไปรยอมรับเงื่อนไขที่คนอื่นเขาบอกกล่าวแต่เราฟังแล้่เฉยโดยเอาบทเรียนในอดีตของเราซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของเราจริงๆแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเคยหลอกคนมัน ก, ก็ต้องหลอกเราด้วยแต่เราอยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีอะไร เราก็จึงปรากฏว่าประสบการณ์ของตัวเองทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นสัมผัสตรงกันตัวเองเกิดใช้ไม่ได้จิตใจเกิดอ่อนไหวขึ้นมาก็ไปยอมรับเงื่อนไขที่คนอื่นเ็าเสนอให้ก็บอกกล่าวให้ในสุดหรือความไม่สงบมันก็เกิดขึ้นภายในใจในข้อ น, นี้ก็แสดงว่าเกิดขึ้นจากใจไปให้ความสำคัญแก่เขาแก่สิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เป็นข่าวลือเป็นคาบอกเล่าของบุคคลทั้งหลาย ว่านทำยังไงจึงจะสามารถบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการมองเห็นโทษที่ต่อเนื่องไปด้วยการที่ทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งคือจุดเริ่มต้นอย่างนี้เองว่าบุคคลที่มีพื้นฐานความคิดกําหนดอารมณ์ว่าสวยงามกาหนดรูปสว ย, สวยงามรอกกินหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องในอารมณ์ล่นนั้นก็ ทำไมครื่อหัเครื่องใจสบาย อ, อกสบายใจแต่ตามปกติแล้วท่านจะพูดถึงห้าอย่างคือเฉพาะ ท, ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นผิดเป็นรสเป็นยันร้อนนองแข็งเพราะว่าอารมณ์ที่จริงก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับรูปเสียงรถปุถะะนั่นเองแล้วก็สอนให้พิจารณาถึงอารมณ์เหล่านั้นว่าถ้ามีจุดเริ่มต้นอย่างนี้มีจุดเริ่มต้นว่าสิ่งนนี้สวยงามแล้ว ต่อไปใจมันจะสายให้ลองสังเกตว่าจะเราไปซื้อของในสถานที่ใดที่หนึ่งถ้าไปคิดว่านั่งก็ดีนั่งก็ดีนั่งก็ดีเนี่ยการตัดสินใจการลงการตัดสินใจที่จะซื้อแล้วก็กลับบ้านมันไม่หยุดหรอกคือจะสายไปเรื่อย ใจจะมองถูกบังคับให้มองไปเรื่อยๆนั้นดีนั่นดีนี่น ด, ด, ดีก็ว่าไปเรื่อยบางทีเราซื้อของเพียงนิดเดียวแต่นั่นเองแต่ต้องสูญเสียเวลาไปมากในจุดนั้นเองถ้าถามมาทําไมทําไมเรากจะได้คําตอบว่ามันดีไปเสียหมดมันมีค่าไปเหมดมา น, น่าซื้อเสียหมดเราก็เดินก็รอเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะใจไปกําหนดว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงาม สิ่งเหล่านั้นอเด็ตร่อยสิ่งเหล่านั้นหอมสิ่งเหล่านั้นน่าจะต้องความไม่สํารวมระหว่างอินทรีย์ก็เกิดขึ้นคือตาก็อยากดูที่จริงตาไม่ได้อยากาใจมันอยากจำปูดเป็นไทยก็า ไ, ไ, ได้่าตาอยากดูหูอยากฟังจมกูกอยากดมลิ้นอยากคลิ้มกายอยากจับต้องจริ ง, รงมาเรื่องของใจทั้งนั้นกายไม่มีสิทธิอยากมันอยากไม่ได้หูก็ไม่มีสิทธิอยากฟังเพราะหูเป็นรูปพระธาตุนั้นเอง เป็นส่วนที่รับรู้เสียงมันก็เป็นประสาทเออโสตะประสาทคือประสาทหูเท่านั้นแต่การที่อยากฟังมันก็อยู่ที่จิตจิตจะใช้หูใช้ตาใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้ไปดูไปฟังไปสูดดมไปลิ้มไปจับต้องสิ่งเหล่านั้นการไม่สํารวมระวังก็เกิดขึ้นไอ้จากจุดไม่สํารวมระวังนี้เองถ้าหากว่า มีความรู้สึกรุนแรงในที่สุดถึงจุดหนึ่งมันก็ทำผิดซึ่งข้อ น, นี้ท่านสาธชนจะมองไปที่ศีลก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องของศีลเอาไว้ว่าคนดีในโลกนี้งดเว้นจากปานาติบาคือการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายวางศัตสาวุธเครื่องประหารแล้วก็มีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลาย หมายความเป็นยังไงหมายความว่า ก, กิเลสมันลดลงไปจนสามารถสํารวมระวังในสัตว์ในคนในสิ่งของทั้งหลายได้ก็คือสํารวมระวังในรูปเสียงกิริ์รสผลพระนั่นเองแต่ว่าตอนนั้นพูดเป็นคนๆกันไปได้ทีนี้ถ้าปริมาณกิเลสเพิ่มก็ขาดการสํารวมระวังเบื่รับประทานอาหารก็จะรับประทานอาหารมากคือจะไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร อ, นน อ, อ, อันนู้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนั่นก็อร่อยก็ชิมไปเรื่อยๆก็อย่างละคำมก็จำแย่แทีนี้เวลารประทานอาหารมากความเพียรมันก็หย่อนความพยายามที่จะทํางานที่จะไปเดือดภารกิจหน้าที่ของตนก็จะหย่อนลงไปใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะอ่อนไหวหวั่นไหวไปตามหนาทพ่ของลมต่างๆที่มากระทบ คือพระเจ้าทรงอุปมาเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าจิตในลักษณะนี้บางทีก็ทรงอุปมาเหมือนก็บทงที่อยู่บนปลายเสาเอาแน่เแนเอาแน่ไม่ได้ว่ามันจะแกว่งไปเรื่อยตามแรงของลมที่พัดบางแห่งก็ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมภูเขาขาดถูกลมกระโชกแรงๆก็พัง จิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นตามปกติแล้วเราก็ไม่อ่อนไหวไปทุกเรื่องก็มีความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรสามารถที่อยู่ในโลกก็พอสมควรแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นบางครั้งมันก็ธรรมดาปกติธรรมดาก็พอทนได้บางครั้งก็มีความรุนแรงมากขึ้นขึ้นทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแต่เจออารมณ์แรงๆเข้าคนใหญ่ก็มักจะทนไม่ได้ มันชีวิตแบบปุตุชนเองเพิ่งสังเกตว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็ทนอารมณ์เป็นนั้นมากได้พอสมควรเรียกว่าอารมณ์ปกติธรรมดาก็าทำนองคล้ๆกับบ้านเรือนของขเราที่ปลูกไว้เนี่ยมันก็อยู่อาศัยได้นะฮะลมพัดมาอย่างแรงไม่จะถึงก็เป็นต้อยฝุ่นอะไรอไรก็พอทนกันได้แต่บางครั้งมันเกิดพายุแรงๆเกิมา ปัาว่าตรงนั้นแหละบ้านเรือนจะทนทานอยู่ได้หรือไม่ถ้าทนไม่ได้ก็ผันฟังแล้วมันก็เกิดเป็นอันตรายขึ้นเพราะก็ต้องสร้างบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงจริตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นลมกิเลสที่มันพัดผันมานั้นที่จริงแล้วโดยปกติก็พออยู่ได้พอทนได้แต่กิเลสที่แรงนั้นบางครั้งมันเป็นแรงบวกคือมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกด้วย ย่ยยให้เกิดความรักความจังย่วยยวนให้เกิดความรักความจังย่อยย่ให้เกิดความโกรธเคียดแค้นโตโตตตอบทหลายร่างกันซึ่ก็มีเป็นอันมากที่เราทนได้ตอนทนได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาว่าเกิดขึ้นตอนที่ทนไม่ได้แล้วเกิดรู้อำนาจแก่กิเลสอำนาจความตรธที่มาจากแรงย่ๆๆอย่ยวนเล่านั้นในที่สุดก็ มีการประพฤติกระทาไปในลักษณะเดียวกับเขาหรือว่าตกเป็นเครื่องมือของเขาความล้มละลายในด้านชีวิตในด้านความดีก็จะบังเกิดขึ้นในจุดนั้นเพราะการปฏิบัติระดับของนิวรคือลดความรุนแรงของนิวร์ออกไ้นั่นนอกจากจะเพิ่ม ความสงบความเยอเือกเย็นได้เกิดขึ้นไปในจิตใจแล้วก็จะช่วยควบคุมการแสดงออกทางกายทางวิช า, าของบุคคลไม่ให้ตกลงไปสู่ครองแห่งทุจริตเพราะเมื่อความคิดไม่รุนแรงแล้วการกระทําทางกายทางวิช า, าแม้จะยังมีกิเลสอยู่ก็จะควบคุมให้อยู่ในกันหลองของกุศลนธรรมได้ความสุขความสงบจึงเกิดขึ้นได้ทั้งในชั้นของศีลและในชั้นของสมาธิ แต่ผลนั้นจะยิ่งจะย่อนกว่ากันตามสุงควรแก่การประพฤฏิบัติของบุคคลนั้นๆต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตามความสงบสึก ต, ต่อไป